หลายปีก่อนนะที่ห้างพาตา้านะกรุงเทพนะเขานะดึงดูดคนด้วยการนะทำสวนสัตวนะ์ทำสวนสัตว์อยูนะ่ในตัวตึกนี่แหละนะดึงคนใครอยากไปสวนสัตว์ก็ไดนะ้ก็ต้องเข้าห้าง แล้วก็มีการเอาสัตว์ใหญ่เช่นกอริลลาเนี่ยเข้าไปไว้ในในห้างด้วยแล้วก็เป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจของผู้คนนะเด็กๆผู้ใหญ่ก็ไปดูกอริลลานะในห้าง กอริล่าตัวนี้มันชื่อบัวน้อยนะไม่รู้มีกี่ตัวมีตัวนึงชื่อบัวน้อยหรืออ จ, จะเหลือแค่ตัวเดียวก็ได้มันก็หงอยมากมธรรมชาติมันต้องอยู่ในป่าปลายปีนเดี๋ยวนี้ในสวนสัตว์หลายแห่งเรียก ว, ว่าทั้งโลกนี้เขาไม่ไม่ขังกอริล่าเอาไว้ในกรงแล้วเขาก็ปล่อยให้มันได้เดินเล่น ในอย่างแรกก็พื้นที่ขนาดที่เป็นลานกว้างอันนี้เป็นแนวโน้มใหม่ของสวนสัตวนะ์ทั้งหลายสิงโตเสือก็ไม่ใส่ไว้ในกรงก็จะปล่อยไว้ในลานให้มันได้เดินเล่นบ้างมันก็เป็นลานแคบๆแต่ก็ยังเดียวในกรง นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคนไทยไปเห็นแล้วก็สงสารสงสารกลิลล่าแล้วก็พยายามทําพยายามพูดคุยกับผู้จัดการพาต้าปล่อยมาไว้เธอก็ไม่ได้ผลล้วก็เลยทําการรณรงค์ ชักชวนผู้คนให้ให้เด็กร้องให้ผู้จัด ก, การปาต้านี่ปล่อยบวนน้อยตอนหลังก็ลดลงในระดับเรียกว่าระดับประเทศเลยมันดีนี่มันมีมันมีเว็บไซต์ที่ใช้ในการรวบรวมรายชื่อของคนเพื่อ เปลี่ยนแปลงในสิ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องนะชื่อว่าเชนตัดอวัจีก็รวบรวมคนได้เป็นแสนแล้วมั้งทั้งไทยทั้งต่างประเทศคนไทยจะไม่ค่อยได้กระตือรือร้อนเท่าไหร่คนต่างชาติเขาสนใจมากเขาตกใจมากนะเอาเกอริลล่ามาขังไว้ในห้างเนขังไว้ในกรง สุดท้ายผู้จ ก, การก็กยอมยอมเจรจาแล้วก็ภายหลังบนน้อยก็เป็นอิสระแต่ก็ยังเขยังติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ช่วยเหลือขยายไปสู่สัตว์อื่นๆด้วยนะที่ถูกทรมาน โยงนี่แกก็สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยนะที่จริงก็หาคนที่สนคนที่ปฏิบัติธรรมที่มาสนใจเรื่องนี้ก็มีน้อยก็<โ>ยังทำตอ น, นเรื่องตลอาก็ทำเป็นหนังสือนะทำเป็นหนังสือสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของคนให้มีความไม่ตากรุณาต่อสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นะ ทำเรื่องบนน้อยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเงอนก่อนแกนก็เขียนมาเล่าว่าเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็นมาถึงพระนะบอกว่าให้ไปสนใจปั ส, สนาภาวนาดีกว่านะอย่าไปสนใจเรื่องช่วยเหลือสัตว์เลยเพราะยังไงมันก็ช่วยได้ไม่หมดหรอก ก็เลยมาเขียนมาถามความเห็นที่จริงก็พูดเรื่องอื่นด้วยเพราะว่ า, าติดต่อพูดคุยทางกฎหมายก็นยยงคนนี้มามาหลายปีแล้วบางทีก็เจอกันในที่ตามที่ต่างๆที่มีการบรรยายธรรม ก็ตอบเขาไปว่าเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากนี่มันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีอย่างหนึ่งทีเดียวนะพระพุทธเจ้าสมัยทพระเป็นพระโพธิสัตว์ก็ช่วยสัตว์นะที่ตกทุกข์ได้ยากมากมายในบางชาตินี่ก็ถึงกับสละชีวิตนะเพื่อช่วยสัตว์นะ อย่างเช่นไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันเพิ่งคลอดลูกแล้วมันก็หิวมากมันไม่มีนมให้ลูกกินอันนี้ไม่เท่าไหร่มันจะกินลูกด้วยมันจะกินลูกอ่อนพระโพธิสัตว์ต้องเป็นืาสีจาลิกผ่านมาไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลย โดดลงไปเพื่อให้แม่เสือกินกินท่านแทนจะได้ไม่ต้องไปกินลูกเสืออันนี้เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญทานบารมีนะปกติการให้ทานเราก็ให้สิ่งของนะอที่สูงขึ้นไปหน่อยคือการให้อวัยวะอันนี้เรียกว่าเป็นบารมีระดับอุปบารมี ถ้าสละชีวิตนี่หรือให้ชีวิตเป็นทานนี่เลยว่าปรมาทบา ร, รมีนี่ท่านก็ขนาดนี้เลยนะไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าโอ้ยสละชีวิตไปแล้วนี่จะสละชีวิตให้สัตว์นี่มันจะดีเท่าสละชีวิตให้คนหรือทําบุญกับสัตว์มันได้บุญน้อยกว่าทําบุญกับคนนะท่านก็มีความคิดแบบนี้ หรือไม่ได้คิดว่าช่วยชีวิตยอมตายเพื่อสัตว์แล้วนี่จะก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีโอกาสได้เจริยมิปัสสนาภาวนาแล้วพระอง์ก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะก็เรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีแลบารมีที่พระองค์พพรรเพ็ญเนี่ยเหล่าเนี้ก็หลุนส่งให้ได้ ได้เป็นพระตุเจ้านะในชาติต่อมาชาติต่อต่อมานะแล้วก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยไอการช่วยสัตว์เนี่ยมันก็จริงนะเราไม่มีทางช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาดได้หมดหรอกนะแต่ว่า ในการที่เราได้ช่วยเขาเนี่ยนะมันก็มีความหมายมากมีความหมายต่อสัตว์ที่เราช่วยมันเป็นมันเป็นเหตุผลเดียว ก, กันกับที่เราช่วยคนที่เดือดร้อนคนยากคนจนคนที่หิวโหยหรือแม้ทั่คนป่วยคนแก่เราไม่มีทางช่วยคนเหล่านี้ได้หมดทั้งโลกหรอก ก็คงจะช่วยได้สองคนบ้างสามคนบ้างเจ็ดแปดคนบ้างไอคนที่เดือดร้อนมีเป็นล้านเนี่ยแต่มันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรดีกว่านิ่งเฉยปล่อยให้เขาตายต่อหน้าตา่อตาหรือปล่อยเขาทุกทรมานต่อหน้าตา่อตาสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยสัตว์หรือคนทั้งโลกได้แต่มันก็มันก็มีความหมายต่อ คนหรือสัตว์ที่เราได้ช่วยไว้ถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นคนเหล่านั้น่สมมุติเราเจ็บเราป่ว ย, ยหวยิวโหยเสร็จแล้วก็ผู้คนก็เมินเฉยเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีทางช่วยคนป่วยคนเจ็บคนยากคนจนได้ทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็อย่าไปช่วยเลยไปวิปัสสนาภาวนาดีกว่า ก็คงไม่ใช่นะบางทีเราลองเอาเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างนะว่าเมื่อตกทุกข์แต่ยากแล้วแล้วมีคนมาช่วยเนี่ยนะมันมีความหมายอย่างยิ่งทีเดียวมันก็คล้ายคยกับเรื่องราวของคนที่คนคนหนึ่งที่ทุกวันเนี่ยเขาจะวิ่งไปตามชายหาด แล้วก็จะเห็นพวกปลาดาวพวกหอยเนี่ยมันมันเกยตื้นอยู่บนบนบนหาดเขาก็จะเดินไปแล้วก็โยนปลาพวกนี้ลงลงทะเลลงปลาดาวพวกหอยพวกนี้ยชายหามันกว้างมากยาวมากแล้วก็มีพวกปลาพวกปลาดาวพวกเนี้ยหอยพวกนี้มัน เตดตื้อในวันหานี่ยาวเหยียดนยเป็นไม่รู้ว่าไม่ใช่เป็นร้อยคงเป็นพันเราก็ทำไปเรื่อยๆโยนปลาเหล่านี้ลงทะเลตัวทีละตัวสองตัวก็มีคนมาถามว่าชันอย่างนี้นี่มันจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อปลา ที่มันเกิดตื่นมันยิดยิ้มหมดนะมันไม่ช่วยทำให้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งหมดหรอกแล้วผู้ชายนนั้นก็หยิบเหาะหยิบปลาดาวขึ้นมาตัวหนึ่งที่อยู่บนที่เกิดตื่นแล้วก็ก่อนจะตอบแล้วก็โยนลงทะเลแล้วก็บอกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความหมายกับไอ้ตัวนี้แหละ มาเขออาจะบอกไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ตายะช่วยตัวอืไม่ได้แต่ก็ช่วยตัวนี้ที่จริงก็ไม่ได้ช่วยตัวเดียวด้วยนะช่วยเยอะได้เยอะ <c oughs> ก็ไม่ได้พูดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอธิบายว่าเนี่ยในการที่เราถึงแม้จะไม่สามารถจะช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้เยอะได้ทั้งโลกนะแต่ว่ามันก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้กับ กับตัวนี้ตัวนั้นหรือตัวที่เราช่วยเช่นเดียวกับการที่เราช่วยคนถ้าทุกคนในโลกนี้คิดว่าเอ้คนยากคนจนคนเจ็บคนป่วยเด็กขอทานหรือเด็กที่มันเละร้อนเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแยะไปหมดเราไม่มีทางช่วยได้หมดหรอกเพราะฉะนั้นอย่า ก, กระไรเลยนะไม่ต้องช่วยเลยสักคนมันก็ไม่ใช่ ช่วยไม่ได้หมดทั้งโลกก็จริงแต่นั้นไม่ใช่ผลนะที่เราจะไม่ช่วยใครสักคนเลยนะทำห น, นเดียวกันแม่เราช่วยสัตว์ทั้งโลกไม่ได้หมดนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ผลที่เราจะไม่ช่วยสักตัวเลยนะก็บอกไปว่าจริงเนี่ยการช่วยสัตว์เนี่ยนอกจากเป็นการบําเพินบารมีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เป็นการเป็นการเจริญสตินะ ขณะที่เราช่วยเขาใจเราก็อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับว่าอยู่กับอนาคตว่าจะช่วยได้กี่มากน้อยจะสําเร็จหรือเปล่าวางตรงนั้นเอาไว้ก่อนสําเร็จไม่สําเร็จก็อย่าพึ่งไปสนใจนั่นเป็นเรื่องอนาคตเราก็ทําเต็มที่ทำทำเต็มที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วก็ถือโอกาสเป็นการเจริญอุเบกขาด้วยหมายความว่าเนี่ยความเมตตาเนี่ยนะมันก็ดีนะแต่ว่าก็ต้องมีอุเบกขาการเจริญพรวิหารสีเนี่ยมันก็มีทั้งการเจริญทั้งเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาช่วยแล้วก็เนี่ยต้องก็ต้องรูง้จักอุเบกขาด้วยคือช่วยเต็มที่แล้วช่วยที่สุดถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้ผลก็ ก็ต้องปล่อยวางหรือว่าวางเฉยอุเบกขานี่มันจะเราปล่อยวางก็ได้หมายถึงปล่อยวางที่ใจแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทำก็คือวางเฉยหรือนิ่งเฉยแต่ว่าจะวางเฉยได้ก็เพราะว่าได้ทําเต็มที่แล้วมันทําได้เต็มที่แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาเมื่อคนที่ป่วยหนักพยายามช่วยเต็มที่แล้วไม่ว่าคนนั้นจะเป็น เป็นญาติของเราหรือว่าเป็นแค่คนไข้ของเราช่วยเต็มที่แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาแล้วละปล่อยวางซึ่งทําได้ยากนะสําหรับคนที่มีเมตตากรุณามีความผูกพันแต่ว่ามันก็เป็นการบําเพ็ญบารมีอีกแบบนึงเหมือนกันนะอุเบกขานี่ก็เป็นบารมีหนึ่งในสิบ เรืนการช่วยสัตว์นี่มันก็เป็นการบำเพ็ญภาวนาได้เหมือนกันจเจริญสติจเจริญพรมวิหารสี่ให้คบทวนมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางโลกล้นล้วนมันก็เป็นเป็นเรื่องทางธรรมด้วยที่จริงอีกเหตุผลที่ว่าเนี่ย เราไม่สามารถจะช่วยสัตว์ทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้มาภาวนาดีกว่าอันนี้มันดูแปมันก็แปลงๆนะนอกจากที่พูดมาข้างต้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็อุบตักการนี่มันก็เปรียบได้กับว่าพูดว่าอย่าไปกวาดใบไม้เลยนะอย่าไปกวาดใบไม้ในในวัดเลยเพราะว่า กว่าไปมันก็ไม่ไม่มีวันสะอาดหรอกนั่นไปบำเพ็ญภาว น, นาดีกว่าเอาเวลาไปบำเพ็ญภาว น, นาดีกว่าถ้าคิดแบบนี้ก็วัดมันก็สกปรกเลอเทอะต่อไปก็ไม่มีใครกวาดวันแล้วเพราะว่ากวาดเสร็จเดี๋ยวก็กวาดใบไม้นะเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายมันก็ใบไม้ก็ตกไม้แล้ว ใบไม้ก็หล่นมก้กแล้วไม่ต้องใบไม้ก็ได้ฝุ่นก็ได้นะเช็ดฝุ่นกว่าดสู้ ส, สาลากว่าดไปทําไมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เลอะเทอะเปืเป้อนอีกไม่มีทางกวาดให้มันสะอาดได้ไปตลอดหรอกไม่มีทางเช็ดถูให้มานสะอาดได้ตลอดหรอกนะไปบปําเพ็ญภาวนาดีกว่าไอ้ตะการวันนี้มันก็ไม่ถูนะจริงอยู่นะเรากวาดใบไม้วันนี้สะอาดพรุ่งนี้ก็ ลเลอะเทอะใหม่วันนี้เราเช็ดถูศาลาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันรุ่นนี้มันก็ฝุ่นจับใหม่มันไม่มีทางสะอาดไปได้ตลอดหรอกแต่เราก็ต้องทำเราควรทาทุกวันไม่ใช่อาว่ามันไม่มีทางสะอาดหรอกเพราะฉะนั้นไปเจริญวิปัสสนาภาวนาดีกว่าไอ้เจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นของดีเป็นของ ของดีเป็นของควรเป็นของที่ประเสริฐนะแต่ก็แม่พระว่ายางังทาบุงทาแต่สิ่งนั้นจนไม่เอาไม่เอาเรื่องอื่นเลยเช็ดถูสาราก็ไม่เอากวาดสาราก็แม่เอากวาดใบไม้ก็ไม่เอ า, า, ม, า, ม, เอานะมันก็ไม่ใช่ที่จริงเราก็การเช้ดถูสาราก็เป็นการภาวานาได้นะกวาดใบไม้ก็ภาวานาได้นะ อันนี้หลวงปู่กินนีเลเคยสอนหลวงพ่อชาไปแล้วสมัยเป็นพระหนุ่มเป็นพระหนุ่มเก้าร้อสิบพรรษามามาปฏิบัติกับหลวงปู่กินนีเล่ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาตอนนั้นอายุสามสิบกว่านะหลวงพ่อชาไฟแรงมาก ภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมตนทางเป็นร่องก็ทำไม่ทำอย่างอื่นเอาแต่เดินจงกรมเพราะว่ามุ่งปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์แต่โดยกันก็สังเกตครูบาอาจารย์คุณหลวงปู่กินนรีว่าท่านไม่เห็นค่อยไม่ค่อยเดินจงกรมเลยนั่งก็ไม่ค่อยนั่ง ท่านเดินจงกรมเดี๋ยวเดียวนั่งไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทำโ น, โน่นทำนี่ในใจก็นึกตูแคลนว่าขนาดเราทำต้องเยอะยยกเรายังไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าพอได้ฟังทมจากหลวงปู่กิดในเล็ก็ฟังทมของท่านลูกซึ้งมากก็เกิดศรัทธาแล้วเกิดความมั่นใจแต่ก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมคือว่า ภาวนามันต้องเดินจงกลมต้องนั่งหลับตาอย่างอื่นไม่ค่อยทำเท่าไหร่จะทำก็ทำด้วยความเร่งรีบจะได้กลับมาภาวนาใหม่มีคราวหนึ่งก็ <c oughs> จีวอท่านขาดท่นก็เย็ดจีวนก็ทำด้วยความเร่งรีบหลวงปู่ปกินิริ่านมาเห็นถามว่าจะรีบไปไหนวันก็ช้าวะก็จะ เสร็จนี่ก็จะไปทำโน่นหลวงปู่กินิลถามว่าเสร็จนโน่นแล้วจะทำอะไรต่อว่าไปทำนั่นคือจะรีบทำไม่ได้ไปภาวนาหลวงปู่กินิลก็บอกว่าเนี่ยเย็บจีวรผืนนี้มันก็ภาวนาได้ก็ดูจิตดูใจองตัวไปนะแล้วก็ทำให้มันถูกต้องปรับจิตปรับใจเพื่อให้มันถูกต้อง เราก็บอกว่าเนี่ยท่านทำางนี้เนี่ยจะรีบไปไหนนะไอ้ความอยากเนี่ยความอยากมันท่วมหัวแล้วยังไม่รู้อีกเหรือนะแต่นความอยากภาวนาเนี่ยมันท่วมหัวก็ยังไม่รู้ทันอันเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลวงวชาท่านได้คิดว่าเออเย็บจีวรก็ภาวนาได้ ก็ทำตลอดกันนะกวาดลานวัดใช้ตูดสาระก็ภาวนาได้มันไม่ใช่ต้องนั่งหรือว่าเดินอย่างเดียวนะตลอดเวลาทำให้การภาวนาการเป็นเรื่องคับแคบเหลือเพียงแค่ว่านั่งกับนั่งกับเดินนะที่ยังพู้เจ้าก็ตัดไปนะว่าเนี่ย ในการการทําความเพียรเนี่ยนะมันมันไม่อยู่ที่รูปแบบแม้แต่ขณะที่นอนอยู่แล้วมีอกุศลเกิดขึ้นและพยายามเพียรทําให้อกุศลหมดไปนะอันนี้พระพุทธเจ้าเลือกเป็นการทําความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์เหมือนกัน นการช่วยการนะการทํางานก็ดีการช่วยสัตว์ก็ดีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นปฏิปักษ์กั บ, ก, บกับการภาวนานะก็ให้เฉลยโอกาสนะต้องใช้ว่าเฉลยโอกาสขณะที่ช่วยเหลือสัตว์ก็ให้ถือเป็นการภาวนาไปด้วยทั้งเจริญสตินะ ทั้งเจริญพรวิหารสี่อย่างครบถ้วนคือไม่ทิ้งอุเบกขาเวลาทำก็ใจก็อยู่กับปัจจุบันวางอดีตวางอนาคตลงไม่ต้องสนใจว่าคนเขาจะมองอย่างไรเป็นการปล่อยวางเรื่องโลกธรรมแปดในการทำงานนี่มันก็เป็นโอกาสดีนะในการที่จะฝึก ให้รู้จักปล่อยวางโลกธรรมแปดได้ลาบได้ยศสารเสริญสุขอันนี้ก็เป็นฝ่ายบวกเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าถูกนินทาว่าร้ายหรือเจอความทุกข์นี่ก็เป็นโลกธรรมฝ่ายลบก็ต้องฝึกให้ใจมันอยู่เหนือโลกธรรมทั้งแปดอันนี้เรียกว่า โล ก, กุตตรธรรมแนหะคือเหนือโลกนะเหนือโลกนี่ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับโลกเลยนะเกี่ยวแต่ว่าไม่ถูกคล้องนำะด้วยโลกธรรมแปลใจออยู่เหนือโลกธรรมแต่ตัวนี่ก็ยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่อย่านะที่พุทธเจาตรบว่าเนี่ยตัวอยู่ในโลกนะแต่ว่าจิตเหนือเหนือโลก อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องอต้องทำให้เข้าใจให้ดีเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจกัะทั่งว่าเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ป่วยนะก็ไม่สนใจดูแลพ่อแม่นะเอาแต่ภาวนามีคนนึงยายป่วยนะยายนี่ก็กรักหลานมากนะ แต่หลานนี่ก็ไปไปบาเพ็ญภาวนาหลานก็รู้นะคงอ า, อาจจะไม่รู้แต่ไม่รู้อยากจะมาภาวนาหรือเปล่าแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามามาเยี่ยมยายก็ไม่มีประโยชน์หรอกภาวนาไปเถอะเพราะว่าไปเยี่ยมยายก็ไม่ได้ช่วยอะไร อาจจะก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาก็เลยไม่ไม่นิญาให้หลานนี่มาเยี่ยมยายทึ่กำลังจะตายอธิบากก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมถึงมันทำไมมันถึงจะทำไมถึงจะละทิ้งยายแบบนั้น ปฏิบัติธรรมมันมันเป็นกับการเยี่ยมยายนี่มันมันขัดขวางกันเลยที่จริงการมาเยี่ยมยายนี่จริงอยู่อาจจะไม่ช่วยให้ให้รอดให้รอดตายได้แต่มันก็ช่วยได้หลายอย่างนะไม่ใช่แค่ช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ใช่แค่ช่วย ป้อนข้าวหรือว่าช่วยดูแลกายเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยทางใจได้ด้วยยิ่งภาวนามารู้วิธีการวางจิตวางใจก็เอาความรู้นั่นแหละมาแนะนำยายเพราะว่าก่อนตายสำคัญมากเรื่องการวางจิตวางใจ ที่จริงฮะที่กำลังทุกขทรมานเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยก็กต้องการความช่วยเหลือการดูแลทางใจนะแนะนําวิธีการทําใจเพื่อที่จะช่วยทําให้กายป่วยใจไม่ป่วยและโดยเฉพาะเวลาจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายก็เป็นกุศลนะ น, นี่คือสิ่งที่หลานจะช่วยได้ถ้าหลานภาวนามาทาไมจึงคิดว่ามันช่วยไม่ได้ แล้วคนเปลือกก็ต้องการมากแต่ก็มีความคิดแบบนี้นะว่ า, าการไปช่วยยายมันอุปสรรคต่อการภาวนาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนกับตา ก, กาที่ว่านยน่าไปช่วยสัตว์เลยเพราะว่ายัางไงก็ไม่สามารถช่วยสัตว์ทั้งโลกให้ปลอดภัยได้หรือให้พ้นจากความทุกข์ทรมานได้มันไม่ใช่ผลที่สมควรเท่าไหร่ แบบความความคิดแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะมันทำให้นักภาวนากลายเป็นคนที่เรียกว่าขาดเมตตาหรือว่าแข็งกระด้างก็คือไม่อนาตไม่มีความอนนาทร น, นะในในเพื่อนมนุษย์นะหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือก็ ไม่สนใจจะภาวนาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะี่ไม่ใช่กับยายเนี่ยกับแม่เนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตัวเองแม่ก็ไม่เคยมาดูแลแม่มาแต่เฉพาะวันแม่มากราบเท้าแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กแล้ววันอื่นก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยจะให้เงิน จะให้เงินก็ให้แบบมีเงื่อนไขหมายถึงให้เงินดูแลแม่นะแกน้องที่ดูแลน้องคนสุดท้องดูแลแม่ก็ติดขัดเรื่องเงินพี่ๆก็ไม่ค่อยให้เงินเท่าไหร่กว่าจะให้ต้องไปขอต้องไปขอร้องนี่แม่งตัวนะเวลาก็ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยมีถึงเวลาจะมา ถึงวันไหนที่ว่างแทนที่จะดูแลแม่มาเยี่ยมแม่ก็ไปไปทำบุญไปทำบุญไปทำมาก็จะได้ส่งบุญมาให้แม่อันนี้ก็เหตุผลเดียวกับคนที่ภาวนาภาวนาเพื่อได้ส่งบุญมาให้แม่อันทไมยังคิดว่าการส่งบุญมาให้แม่นี่มันมันดีกว่าการดูแลแม่นะ การดูแลแม่เนี่ยแหเป็นการทำบุญที่วิเศษนะเป็นการช่วยเขาตรงๆให้ส่งบุญมาให้แม่ไม่เรียกถึงหรือเปล่านะแต่ว่ามาช่วยเขาเนี่ยด้วยกายด้วยด้วยใจเนี่ยนะมันมันช่วยเต็มเต็มเลยแต่ก็ไม่ทำนะใช้วิธีทำบุญที่วัดแล้วก็ส่งบุญมาให้แม่ ก็กลายถือว่าเป็นเรื่องดีไปซะแนะทําไมถึงคิดอย่างนั้นทําไมถึงก็อาจเป็นเพราะว่าทําบุญให้แม่มันง่ายกว่าง่ายกว่ามาดูแลแม่เองดูแลแม่มันเหนื่อยทําบุญที่วัดแล้วก็ส่งบุญมาให้แม่นี่มันง่ายกว่าใช้เงินมีเงินเท่าเองเสียเวลาก็น้อยนะสมัยนี้นี่ก็คิดในเรื่องการ ใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหามากกว่าใช้แรงส่งบุญมาให้แม่ก็มันก็ง่ายดีไม่ต้องเหนื่อยแถมถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กได้ด้วยว่าวันนี้มาทำบุญให้แม่นะ อันนี้ก็เป็นค้านิยมหรือความเชื่อที่แพร่หลายไปมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักปฏิบัติธรรมในหมู่คนสนใจธรรมะไอ้คนไม่สนใจธรรมะคนไม่ภาวานาเนี่มาดูแลแม่ดูแลทั้งวนันทั้งคืนไอ้คนสนใจธรรมะนี่ทําไมทิ้งเรื่องนี้ไปนะแล้วก็เอาแต่ทําบุญส่งมาให้แม่หรือไม่ก็ไปภาวานา มันต้องมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องภาวนาเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเป็นการตัดตัวปลีกตัวออกจากโลกแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นคนเรียกว่าแข็งกระด้างขาดเมตตาแล้วก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในวงการภาวนานที่เรียกว่า มุ่งนิพพานนะจนกระทั่งลืมการทำความดีขั้นพื้นฐาน <co> คือความกตัญญูแสดงความทากตัญญูต่อพ่อแม่พระพาชนี่นะเคยมีนะพระอยากจะอยากจะศึกไป เพื่อที่จะดูแลแม่ท่านก็สนับสนุนให้อย่าศึกเลยก็เป็นพระนี่แหละแล้วก็ดูแลแม่เอาอาหารบินธบาตไปเลี้ยงพ่อแม่ที่ยากจนพ่อ ก, ก็สนับสนุนก็ไม่คิดว่าเอ ย, อยู่เป็นพระแล้วก็ส่งส่งบุญไปให้แม่แล้วกันพวอ ก, ก็ไม่แนะนําแบบนี้เอาอ า, าบินธบัตไปเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อที่ยากจน เวลาใครเจ็บใครป่วยพระงก็เสด็จมาดูแลเองเลยไม่มีการผู้เจ้าไม่เคยเส่งบุญมาให้หรือว่าน้อมจิตมาช่วยนะพระองค์เสด็จมาช่วยทั้งกายทั้งใจกายก็ช่วยนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวใครเจ็บ ก, ก็แสดงทําไปด้วยจนกระทั่งบรรลุธรรมก่อนตาย น, นี่ก็เป็นเรื่องที่มันประสานกันได้ลองภาวนาเกี่ยวกับการทํากิจอื่นไม่วนะจะเป็นกวาดลานวัดเช็ดถูสาาัลาก็เป็นภาวนาได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยก็เป็นภาวนาได้หรือว่าช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ยากก็ภาวนาได้นะอย่าให้การภาวนาเป็นขับแคข็งตรงทางกายเป็นการเก็บตัวปิดตัวจากโลก อันนี้ถ้าไม่ระวังเป็นการมีคามเห็นแก่ตัวการมีความติดใจขาดเมตตากระด้างเป็นอุปสรรคการปฏิบัติธรรมได้ซ้ำอาชานี่พูดกันเท่านี้นะครับ